ในศาสนานี้พระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นเพื่อที่จะแสดงแสดงความจริงให้โลกได้รับรู้รับทราบความจริงที่พระองค์ทรงรู้ก็มีมากมายแต่ที่ได้ทรงนำมาแสดงแจกแจงเอาไว้เป็นคำสอน ก็ไม่มากถ้าเทียบกับที่พระองค์ได้รู้รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจากพระยางของพระองค์ก็เหมือนที่ท่านเปรียบเทียบเอาไว้ว่าความรู้ที่ท่านได้นำมาแสดงนามาสั่งสอนพุทธบริษัทก็เปรียบได้เหมือนกับใบไม้ในกํามือที่พระองค์กลัมาไว้ ส่วนความรู้ที่พระองค์ไม่ได้นำมาแสดงนั้นก็เทียบได้กับใบ ไ, ไม้ทั้งผืนป่าแต่ถึงแม้จะแสดงเพียงน้อยส่วนน้อยเมื่อเทียบกับส่วนใหญ่ที่พระองค์ทร ง, งรู้แต่ก็เป็นส่วนน้อยที่สำคัญแล้วก็จําเป็นสําคัญจําเป็นอะไร สำคัญจำเป็นเพื่อที่จะพาให้ผู้ฟังนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือทำที่สุดแห่งทุกข์ก็เป็นดีจะให้เราเนี่ยไม่ต้องทุกข์อีกแล้วทุกข์ที่เราศึกษาเรียนรู้และมันดับไปเนี่ยมันก็จะไม่ต้องกลับมา เวีนทุกแบบนี้อีกสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้เนี่ยวันนั้นก็จึงแสดงเพียงแต่สิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆต่อหมูสัตว์ประมูสัตว์ตอนนี้ก็ไม่ว่าจะในยุคไหนไหนไม่ว่าจะเป็นยุคที่มีพระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นแบบนี้ หรือเป็นยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีศาสนาสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือหมูสัตว์ก็จะโดนทุกย่ํายีอยู่ตลอดพูดง่ายๆก็คือเหมือนเวียนว่าอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์นี่แหละต้องทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะเจ็บไข้ทุกข์เพราะแกะ่ ทุกเพราะตายทุกเพราะความแห้งใจความห่อเหี่ยวใจความคับแค้นใจความขัดเคืองใจอยากได้สิ่งไหนไม่ได้ก็เป็นทุกได้ในสิ่งที่เราไม่อยากได้ก็เป็นทุกอีกสิ่งไหนที่เรารักเราพอใจแล้วมันต้องพัดพลาด ก, กันไปก็เป็นทุกอีก ซึ่งที่พระองค์แสดงเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นความจริงความจริงของบุคคลที่ตื่นรู้ความจริงของบุคคลผู้ตื่นแล้วไม่ใช่ว่านอนหลับแล้วตื่นแล้วแต่คือใจใจที่มันหลับไหลอยู่มันได้ตื่นขึ้นได้เห็นเห็นแจ้งตามความเป็นจริง แต่คนที่มีใจที่ไม่ได้เห็นแจ้งมันก็คือเป็นใจที่มันหลับไหลมัวเมาหลับไหลมัวเมาไปกับความเพลิดเพลินของกามทั้งหลายที่กิเลสมันได้นำมาหลอกล่อปิดบังไม่ให้เราได้รู้รู้ถึงสิ่งที่เป็นความรู้จำเป็นที่จะเท่าทันมัน ที่จะเท่าทันกิเลสที่จะเท่าทันเล่เหลี่ยมแล้วก็ปกปิดตัวเองเอาไว้ปกปิดความชั่วหยาบของตัวเองเอาไว้ไม่ให้เราเห็นเปิดเผยแต่สิ่งที่เป็นเรื่องทําให้เรายินดีเพลิดเพลินไปกับมัน เป น, นายคอยบังคับบัญชาให้เราแสวงหาสิ่งนั้นทำสิ่งนี้อย่างไม่มีหยุดหยอด่อนสั่งตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายก็ยังสั่งอยู่ตายแล้วก็ยังสั่งให้ไปเกิดอีกพอได้ถืออัตภาพใหม่ก็สั่งต่อไปเรื่อยสั่งไม่มีหยุดหยอด่อน แต่สิ่งที่พระรุทธเจ้าได้นำมาแสดงก็แสดงโทษของการมทั้งหลายถึงแม้ว่ามันจะมีมีคุณมีความดีอยู่บ้างแต่มันก็มีโทษมากยิ่งถ้าบุคคลใดมีความมัวเมาเพลิดเพลินความสุขในการมทั้งหลายแล้วเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่ก็จะยิ่ง จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ยากก็จะรู้เห็นตามแต่สมมุติกิเลสนําพาไปแต่พูดอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนว่าเป็นคําสอนที่ดูจะยากสําหรับบุคคลทั่วไปแต่เราก็ได้พิสูจน์กันมาแล้วว่าไม่ว่าสมัยพุทธกาลก็มีผู้ที่เข้าใจแล้วก็เห็น เห็นตามความรู้เห็นตามธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงแจกแจงเอาไว้มากมายเลยมีคนที่ได้มีกำลังใจเห็นโทษแล้วก็นำใจเนี่ยมาฝึกหัดปฏิบัติเพื่อที่จะพาตนให้ไปสู่จุดที่เรียกว่าที่สุดแห่งทุกข สมัยนี้ถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้อยู่เป็นตัวเป็นตนให้เราได้เข้าเฝ้าให้เราได้สอบถามแต่พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วยังอยู่ยังครบถ้วนเหล่ากูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติดีงามรู้แจ้งในผลประจักษ์ใจแบบเดียวกับพระองค์ ก็ยังเหลืออยู่ยังเป็นกัลยาณมิตรให้เราได้อยู่ให้เราได้ไปสอบทวนให้เราได้เข้าไปสั่งสนทนาเพื่อที่จะไได้รู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้เข้าใจในสิ่งที่ว่าอะไรเป็นทุกอะไรเป็นเหตุเกิดทุกอะไรเป็นความดับของทุกอะไรเป็นเครื่องดำเนินนถึงความดับไม่เหลือของทุก แต่แน่นอนแหละ ว, ว่าสาวกในสมัยปัจจุบันเนี่ยจะเอาไปเปรียบเทียบกับสมัยพุทธกาลก็ลําบากหมู่สาวกก็เอาไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้ความสามารถก็จะลดหลั่นกันไปแต่ถึงแม้ว่าความสามารถของสาวกจะไม่ได้ดีเลิศดีเยี่ยมเท่ากับพระพุทธเจ้า แต่เมื่อท่านรู้ท่านเห็นท่านฝึกปฏิบัติจนได้เห็นผลตามที่พระพุทธองค์ได้ทร ง, งแสดงเอาไว้เป็นผลแบบเดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงได้รับจากการประพฤติปฏิบัติเหมือนกันท่านก็มีความสามารถในแบบของท่านนั่นแหละทางเส้นไหนที่ท่านเคยเดินท่านก็พร่ำบอกชี้ให้เห็นเป็นแนวทางได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ละเอียดละออเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นบุคคลที่รู้เส้นทางที่จะไปเราก็ดำเนินไปในแบบที่ที่ท่านไปนั่นแหละที่ท่านแสดงท่านพาดำเนินเราก็น่าจะได้ผลแบบเดียวกับที่ท่านได้รับเหมือนกันถ้าจะแจกแจงให้ละเอียดละออ คำสอนก็มีกว้างขวางเพราะว่าพระพุทธองค์ก็ได้ทรงประกาศแสดงธรรมสั่งสอนหมู่สัตว์อยู่ตั้ง45พรรษา45ปีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็จะมีคนมากหน้าหลายตาหลากหลายอุปนิสัยซึ่งมันก็เป็นข้อดีนั่นแหละว่ามันก็มีหลายหลายอุปนิสัย คำสอนของพระองค์ก็จึงมีหลากหลายแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นให้ได้แบบทุกๆอุปนิสัยก็ไม่จำเป็นแต่อุปนิสัยที่คล้ายๆกันคล้ายๆ ก, กับเราแนวเดียวกับเราเนี่ยมันต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้นคำสอนที่หลากหลายเนี่ยเราก็เลือก เลือกให้มันถูกกับตัวเราถูกกับนิสัยของเรามันอย่างครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์เนี่ยก็มีข้อประพฤติมีอุบายที่มันต่างๆกันคล้ายๆกันนั่นแหละอย่างบางคนประกอบความเพียรในการเดินจงกรมมากมากเป็นพิเศษอย่างบางองค์มีอุปนิสัยชอบที่จะนั่งมาก กว่าเอ็ดยาบทอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาในแบบที่เราเป็นหาในแบบเส้นทางที่เราเป็นให้เจอด้วยพอเราเจาะจงละเอียดละออย่างนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปคุยกันให้มันวงกว้างเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงหลักใหญ่ๆ เพราะว่าถ้าหลักใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ในรายละเอียดปริย่อยในเส้นทางเล็กๆน้อยๆตามนิสัยวัษนาอุปนิสัยก็มีได้หลากหลายแต่หลักใหญ่ที่พระองค์ทรงตรีกรอบเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาในยุคสมัยของพระองค์ก็ดีหรือในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ที่เสด็จอุบัตมาก่อนหน้านี้ ก็ดีหรือแม้แต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติขึ้นในอีกนาคตไม่ว่าองค์ไหนก็ตามหลักใหญ่ใจความก็เหมือนกันเหมือนกันตรงที่ว่าไม่ทำชั่วไม่ทำบาป ท, ทั้งปวงสัพปะปัสะอาการะนัง กุศาสู้ประสัมปทาก็คือทำความดีให้มันถึงพร้อมสจิตต์ปะโยทปนังคำจิตใจให้มันผ่องใสเอตังบุตานาศาสนังเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในแต่ละยุคแต่ละสมัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยก็มีความต่างกันอยู่บ้าง อย่างเช่นการลงอุโบสถของพระเนี่ยแต่และพระพุทธเจ้าก็มีระยะเวลาไม่เท่ากันก็มีหลากหลายแต่ที่มันเหมือนกันก็อย่างที่บอกไปสัพปปาปัสสะอาการะนังการไม่ทาบาป ท, ทั้งปวงไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนของพระพุทธศาสนาของศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องสัพปปาปัสสะอาการะนัง ก็คือไม่ทำบาตทั้งปวงกุศล ส, สู้ประสัมประทาก็คือทำความดีมันถึงพร้อมสจิตตาปริโยดผนังทำจิตใจให้มันผ่องใสแต่ถ้าคนไม่ละเอียดละออฟังก็ผ่านผ่าดไปแต่จริงๆแล้วถ้าเราฟังให้มันเข้าใจละเอียดลึกซึ้ง เราจะเห็นได้ว่าท่านแสดงมันคู่กันอ่ะมันเป็นกลุ่มก้อนที่มันจะต้องไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการไม่ทำบาปทั้งปวงทาความดีให้มันถึงพร้อมทำจิตใจให้มันผ่องใสมันไม่ใช่ว่าแยกกันเดินนะแยกกันเป็นคนละเส้นทางไม่ใช่แต่มันเป็นมันถนนอ่ะเป็นถนนเส้นเดียว แต่มีสามเลนมันก็เป็นแพ็กเกจอันเดียวกันทำไมถึงมาย้ำตรงนี้ก็เพราะว่าการที่เราจะไปสู่จุดมุ่งหมายบรรลุเป้าหมายเราไม่สามารถที่จะทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งได้เราบอกว่าเราเป็นคนดีเราทำความดี แต่เราไม่ไม่ละการทำบาปเนี่ยดีก็ทำบาปก็ทำถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็บรรลุวัตถุประสงค์คือทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้แน่นอนอย่างบางคนเนี่ยเราก็จะเห็นบุญก็ทำบาปก็ทำมีเยอะแยะอย่างในทีวีเนี่ยเราก็เห็นกันเยอะคนทำความดีก็มี ในขณะเดียวกันเนี่ยความไม่ดีที่ก็ทําลับหลังที่ก็ไม่ได้ออกสื่อก็มีมันก็จึงทําให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่สามารถที่จะทําตนให้ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้และบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเปลื้องทุกข์ออกจากตนให้มันบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงได้ ยังเป็นบุคคลที่ต้องเวียนทุกไปอ่ะความทุกข์ก็จะวนเวียนไป ก, กับบุคคลเหล่านั้นซึ่งจะเกิดว่ามีการบ่นตัดเพาะว่าเราทำความดีทำไมไม่ได้ดีสักจีหนึ่งทำไมยังมีความทุกข์อยู่ทำความดีมันก็เหมือนกับจะไม่ค่อยมีผลอะไร มันก็กลายเป็นความเห็นผิดไปได้เพราะว่าผลของณตอนนี้เวลานี้มันก็เป็นส่วนผสมของทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่นั่นแหละถ้าเราทําความชั่วบาปเอาไว้ผลมันต้องเกิดแน่นอนไม่ชาก็เร็วไม่ชาดนี้ก็ชตดหน้าไม่ชตดหน้าก็ชาติต่อต่อไปมันให้ผล แต่เราไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้ว่าผลที่เกิดน้าตอนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนผสมของกรรมใหม่เท่าไหร่กรรมเก่าเท่าไหร่กรรมดีเท่าไหร่กรรมชั่วเท่าไหร่ซึ่งกิเลสมันก็ทำให้เรามีความย่อท้อที่เราจะทำความดีมันก็พาให้เราคิดอย่างนี้แหละทำความดีดูมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะ แล้วยิ่งถ้าความดีก็ทำความชั่วก็ทำในชาติปัจจุบันด้วยแล้วเนี่ยหมดแน่นอนหมดทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แน่นอนเพราะมันฝืนน่มันฝืนกับเงื่อนไขคือเส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้ให้ท่านบอกว่าให้ละชั่วแล้วก็ทำความดีนะ ถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป้าหมายของเราคือการขึ้นไปสู่ยอดเขาการทำดีก็คือการที่เราเดินตามอริยมรคมีองค์8น่แหละเดินขึ้นไปการทำความดีการทำกุศลที้ถึงพร้อมก็คือการที่เราได้มีเส้นทางดาเนินชีวิตของเราเนี่ย ตามอริยมรรคมีองค์แมันก็จะมุ่งหน้าขึ้นไปขึ้นไปสู่จุดหมายนั่นแหละแต่ถ้าเราทำความดีแล้วเราก็ทำบาป ก, กรรมไปด้วยมีการเบียดเบียนคนอื่นบ้างเบียดเบียนคนอื่นทั้งกายทั้งวาจาเหล่านี้อันนี้มันก็เหมือนเป็นการที่เดินลงเขาอะ แทนที่ว่าเราจะขึ้นไป น, นี้ก็กลายเป็นว่าโดนผลักให้ลงมานะแล้วถ้ามันขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาอยู่อย่างเงี้ยมันจะไปถึงยอดเขาได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันจึงต้องไปคู่กันนะละชั่วด้วยทำความดีให้มันถึงพร้อมด้วยมันจึงจะขึ้นอย่างเดียว แต่เมื่อกี้พูดได้แค่2ตัวตัวสุดท้ายนี่ก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันภาพลักษณ์อาจจะดูไม่ชัดเจนเหมือนระหว่างทำดีกับทำชั่วนะแต่การที่เราทำจิตใจมันผ่องใสได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องจำเป็นพูดง่ายๆคือการที่เราทำความดีมีการให้ทานมีการรักษาศีล แต่เราไม่ได้มีการฝึกหัดปฏิบัติขัดเกล้าจิตใจไม่หัดที่จะทำความสงบใจไม่หัดที่จะทำสมาธิไม่หัดที่จะมีปัญญาที่จะซักฟอกจิตแน่นอนเลยว่ามันก็ได้เป็นแค่คนดีที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่แน่นอนแหะมันก็จะดีตรงที่ว่ามันก็พอที่จะรับ ประกันตัวเองได้ว่าเราจะอยู่ในสุขติภูมิไม่ได้ไปทุกติการที่เราไม่ทำบาทัท้งปวงแล้วทำกุศลเนี่ยมันถึงพร้อมแล้วแต่เราไม่ทำจิตให้มันป่องใสคือไม่ซักฟอกจิตนั่นแหละมันก็เหมือนกับการที่เราขึ้นเขานะไเราก็พักอยู่อย่างนั้นไม่ได้ขึ้นต่อเนี่ย ยุดก็หยุดยาวๆไปเลยมันไม่ได้หล่นลงมาตีนเขาก็จริงแต่มันก็อยู่บนเขานั่นแหละมันยังไม่ถึงยอดเขาสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งสามหัวข้อเนี่ยมันจึงแยกจากกันไม่ได้มันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจึงจะนำพาให้เราไปสู่ เป้าหมายสู่จุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าท่านได้วางเอาไว้ให้ที่สุดของศาสนานี้ก็คือตรงนี้แหละพระพฤติพรมจรันทร์แล้วก็ทำที่สุดแห่งทุกละชั่วทำดีละชั่วนี่ก็ต้องบาปทั้งปวงนะบาปทั้งหมดที่มัน มันมีมันเป็นเนี่ยเราไม่ทำแต่ความดีมันมีมากมายบนโลกนี้เราก็พยายามทำทำตรงไหนได้ก็ทำแต่มันก็ต้องทำให้มันถึงพร้อมอ่ะคือคือเราจะบอกว่าเราจะเต็มเลิอดรูแบบสเกลของพระพุทธเจ้าก็คงไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่มันนี่มันถึงพร้อมก็หมายถึงว่า ให้มันเต็มในระดับที่ที่เราจะสอบผ่านนะอย่างบางคนนี่นักที่จะให้ทานเก่งมีใจที่คิดจะให้อันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่อาจจะไม่ค่อยได้เข้าสมาธิอาจจะไม่ค่อยที่จะพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงมันก็จึงทาให ไอ้กีดพลังของเราเนี่ยคุณสมบัติของเรามันยังไม่ถึงพร้อมไม่ถึงพร้อมที่จะบรรลุธรรมเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้ น, นคําว่าพร้อมเนี่ยมันก็จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเราต้องมีศักยภาพที่พร้อมสู้พร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นทักษะ ไม่ว่าจะเป็นกําลังทางกายก็ต้องไปพร้อมสู้เหมือนเราจะไปสนามรบเนี่ยต้องพร้อมให้หมดหมดสเบียงพร้อมไหมอาวุธพร้อมไหมเครื่องป้องกันพร้อมไหมยาพานะพร้อมไหมทีมกัลยาณมิตรของเราเป็นยังไงซึ่งถ้ามันพร้อมเนี่ยโอกาสชนะมันต้อง มีแน่นอนแต่ถ้าไม่พร้อมอไม่มีสเบียงอย่างเงี้ยทหารขาดสเบียงมันรบได้ไม่นานหรือว่าจะไปสู้เนี่ยมีปืนแต่ไม่มีลูกกระสุนเนี่ยก็ลูกกระสุนหมดอย่างเงี้ยมันก็สู้ลําบากหรือว่าเราจะเดินดุยดุยไปไม่มีเสื้อกรอกไม่มีเครื่องป้องกันเลยอย่างเงี้ยมันก็สุ่มเสียงที่จะบาดเจ็บล้มตายใช่ไหย เพระนั้นมันต้องพร้อมอะพร้อมในทุกๆด้านเพื่อที่จะสำเร็จคือชนะในการต่อสู้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติมีสติก่อนอื่นเลยก่อนเพื่อนเลยทําทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเจริญได้ดีมันก็อยู่บนพื้นฐานคือมีสัมมาสติ เรื่อยๆอยู่เนืองๆเพราะกันที่เรามีสัมมาสติเนี่ยมันก็จะทําให้เราทําให้ใจของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกหนังเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพพาน เวลาที่สัมมาสติเกิดขึ้นเนี่ยมันจะชักนำพาใจของเราให้มันไปแนวนี้แต่ถ้าสติของเราเนี่ยมันไม่ใช่สัมมาสติเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามกันทำให้เราหลงมัวเมาเพลิดเพลินไปในกามทั้งหลายหรือไม่ก็หลงมัวเมาไปอยู่กับโทษสะยผูกพยาบาทคนนั้นคนนี้ เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นสติก็จึงเป็นเครื่องมืออันแรกถ้าเราบอกว่าเราจะไปซื้อซื้อของจําเป็นสักอย่างหนึ่งของจําเป็นที่เราจะต้องเอาไว้ใช้ทํางานเนี่ยมันก็จะมีของชิ้นแรกที่จําเป็นต้องมีใช่ไหมเหมือนเราอยากจะ ได้รูปสักรูปหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีถ้าไม่ใช้โทรศัพท์ก็ต้องมีกล้องแหละใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่างบเรามีเท่าไหร่ถ้า ง, งบเรามีไม่มากเราก็ไม่ต้องไปซื้อกล้องแพงๆเราก็ซื้อโทรศัพท์ก็พอพอได้ทางานได้มันก็เหมือนกันนั่นแหละเราก็ต้อง ของจำเป็นของการจะพ้นทุกข์ก็คือสติเป็นอย่างแรกที่เราจะต้องต้องมีไว้ส่วนมันจะเป็นสติที่ดีมีกำลังขนาดไหนถ้ามีน้อยมันก็ขึ้นชื่อว่าเรามีเครื่องมือที่ยังไม่ประณีตแต่ทำงานได้ไหมทำงานได้ แต่ถ้าเราได้ผลได้ดอกได้ผลจากการที่เราทำงานเราก็มาอัปเกรดอัปเกรดเครื่องไม้เครื่องมือของเราได้แล้วเราก็พัฒนาสติของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นมันก็คืนชื่อว่าเราได้อัปเกรดอุปกรณ์การทางานของเราพอสติเราดีขึ้นเนี่ยมันก็พาให้คุณภาพงานต่างๆอย่างอื่นของเราดีขึ้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะมีความอดทนต่อผัสสะที่มันมากขึ้นมีแกีใจที่เราจะทำความสงบได้ดีขึ้นมากขึ้นได้พิจารณาบ่อยขึ้นเหล่านี้เนี่ยมันบนพื้นฐานของการที่เริ่มที่มีสัมมาสติกับใจซก่อนถ้าสัมมาสติมันเป็นสัมมาสติที่ดีมีคุณภาพเนี่ย ธรรมะเหล่าอื่นข้ออื่นๆมันก็จะเจริญงอกงามได้ดีและก็ต้องให้มันทำความเพียรมีสติคอยรักษาใจให้ดีเราจะได้ขึ้นชื่อว่าเราดำเนินตามแนวทางที่พระพุท ธ, ธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้สั่งสอนเอาไว้